เนื่องในโอกาสวันอายุวัฒนะมงคล69ปีหลวงพ่ออินถวายสันตุจโกเจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อยตำบลบ้านกล้องอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานี27เมษายนพุทธศักราช2557วันเสาร์ที่26เมษายนพศสองพันแรมส2องค่ำเดือนหปีไม่เมีย เวลา19าศูนย์ูนนอคณะศิษยานุศิษย์พร้อมกันณศาลาปฏิบัติธรรมหน้าวัดหรือว่าสวนลำไยวงเล็บนะหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกถวายเครื่องสักการะบูชาพระพุทธอุรมมงคลสองพระพุทธอุรมมงคลคือพระพุทธโรภ พ, พระพุทธอุโรมมงคลหนึ่งอยู่ที่ศาลา ศาลาอยู่ข้างในวัดของเราแต่พระพุทธุรมมงกลสองเนี่ยอยู่ในศาลาข้างนอกนะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยแล้วถวายเครื่องสักการะแด่องคหลวงตามหาบัวยนสัมปันโนคือมีรูปภาพขององค์หลวงตาที่เป็นที่รักเคารพของพวกเราท่านทั้งหลายและพิธีสงรารธนาสินพิธีกรสงอารธนาสินหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกให้สิน ประธานและคณะสิทธิ์ผู้แทนสิทธิ์ญานุสิทธิ์ฝ่ายสงฆ์ผู้แทนสิทธิ์ญานุสิทธิ์ฝ่ายฆราวาสนำกล่าวคำขอเข้ามาหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกดังต่อไปนี้ดังนี้คืออาจารย์เยปประมาเทนะแล้วก็ประธานคณะสิทธิ์ผู้แทนสิทธิ์ยาณุสิทธิ์ฝ่ายสงฆ์ผู้แทนสิทธ์ญานุสิทธิ์ฝ่ายฆราวาสเชิญทูบเทียนแผ่ถวายสักการะ หลวงพ่ออินทวายสันโุสโกและก็เวลา 19.30 นหลวงพ่ออินทวายสันโตสโกมเมตตากล่าวคำปารบเรื่องการสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงตามหาคุณูประการยาณสัมปันโนเจติยานุสรวัดป่านาคำน้อยเพื่อการอนุโมทนาสาธุการณร่วมกันหลังจากนั้นพิธีกรสงอารนาพระปริ ประธานสงเจริญพระพุทธมนต์เสร็จพิธีในวันที่26นะแต่ได้มาย้อนดูที่ว่าหลวงพ่อจะได้กล่าวหรือว่าอาราธนาศีลตามปกติจะมีพระเถระผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานหรือว่าไม่เป็นพระผู้น้อยก็เถอะก็หหให้เป็นผู้เป็นผู้ให้ศีลและอาราให้ทมแต่หลวงพ่อบอกว่า งานของหลวงพ่อวันที่26่สี่สิเนี่ยเป็นงานของหลวงพ่อชาติคณะสิทธิยานุสิทธิท้งหลายมาร่วมงานก็มาเพื่องานหลวงพ่อเพราะนั้นหลวงพ่อเองเป็นเจ้าของงานจะได้กล่าวต้อนรับขับสู้ระหว่ากล่าวโอภาปาใสยค ณ, ณะสิทธิญานุสิทธิคณะสัทธาญาตโจมพระสงฆ์น้องนุ่งทั้งหลายหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มาร่วมงานหลวงพ่อเป็นเจ้าของงาน จะต้องกล่าวขอบคุณกล่าวขอบใจหรือว่ากล่าวขอคำอนุโมทนากับพี่น้องประชาชนทั้งหลายทุกหมู่เหล่าจากนั้นหลวงพ่อก็จะได้ปรารภเรื่องพระเจดีเพราะว่าพวกเราท่านทั้งหลายก็คงจะสงสัยเหมือนกันนะทาไมเจดีขององค์หลวงตาทาไมทำไมเกือบสามปีเข้ามาแล้วนี่นจะเข้าปีที่สี่แล้วทำไมจึงจะไม่ได้การทาการก่อสร้าง หลวงพ่อจะได้ปรบให้คณะจัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ทราบเป็นข้าวๆนะแล้วก็วันที่วันที่ยี่สิบเจ็ดนะทีนีวันที่ยี่สิบเจ็ดเวลาหกสาสิบนคณะสิทธิ์เาวนิสิ์พร้อมกันสลาปฏิบัติธรรมหน้าวัดสวนลำไยนะพระสงฆ์สมมาเนรออกบินเท่าบาทบริเวณสลาปฏิบัติธรรมแล้วก็แบ่งเป็นสองสาย ประทานพิธีฝ่ายครวดจุดทูกเทียนบูชาพระรัตนตรัยเมื่อปิธบาตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะหลวงพ่ออินทถวายเชิญสุตโกถวายเครื่องสั ก, กระแด่ท่านเจ้าคุณพระราชวรรารังการเจ้าคณะจังหวัดอุดรดิานีธรรมยศประธานในพิธีประธานสงฆ์ในพิธีพิธีกรกล่าวอคำรัตนาสินประธานสงฆ์ให้สินพิธีกรนำกล่าวคำถวายทาน ถวายพระทหารเชา้าแต่พระสงฆ์สัมมาเนรถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์สัมมาเนรอนุโมทนาให้พรเ น, นี่ยเรื่องถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเนอะให้พระเนนช่วยการคิดถาวายเป็นพระเถระผู้ใหญ่ท่านมาร่วมงานสวดมนต์เย็นท่านมีภา ร, รกิจท่านจะต้องกลับพวกเราก็จะถวายเป็นองค์ไปท้าวว่าองค์ไหนที่อยู่ตอนเชา้าเราถวายพร้อมกันอันนี้ก็ขอให้พวกเราช่วยช่วยกันคิดนะพระ ผู้จัดการจัดงานเป็นหูเป็นตาช่วยกันเสร็จแล้วคณะสิทธิ์ยาวนุสิตศรัทธาญาติโยมผู้เคารพนับถือร่วมกัน ร, รับประทานอาหารตามอัธยายาสายในโรงทานภายในบริเวณงานแล้วก็คณะสิทธิ์ยาวนุสิต์ร้อมกันสาลาปฏิบัติธรรมประธานคณะสิทธิท์ผู้แทนศิทธิ์ยาวนุสิ์ฝ่ายสงฆ์ผู้แทนสิทธิ์ยาวนุสิตฝ่ายฆราวาสกล่าวคำขอขอมา ก็เข้ามาสองครั้งเลยทั้งตอนเย็นทั้งตอนเช้าเลยเลยเน่าจะเอาครั้งใดครั้งหนึ่งน่าจะพอมั้งหรือจะเอาทั้งสองอย่างเลยประธานคณะสิทธิ์ผู้แทนสิทธิ์ญาณุสิทธิ์ฝ่ายสงฆ์ผู้แทนสิทธิ์ญาณุสิทธิ์ฝ่ายคารวาสเชิญทูบเทียนแผ่ถวายสักการะหลวงพ่ออินทวัฒนสุจโก้หลวงพ่อกล่าวสมโภชานิยการถาแล้วคณะศิทธิ์ญาณุสิทธิ์รับของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันอายุวัฒนะมงคล69ปีหลวงพ่ออินทวายสันตุสโก27่เมษายนพุทธศักราช2557เก็เป็นเสร็จพิธีนะแต่ทีนี้ยังไงก็ขอให้พวกคณะศรัทธาญาติโยมเอาของฝากของที่ระลึกนะโดยเฉพาะออย่างยิ่งหนังสือธรรมะแล้วก็ MP3 สของหลวงพ่อทั้งหมดมี6แผ่นนะ 6แผ่นแล้วเป็น8แผ่นหลวงพ่อบวกขององค์หลวงตางานชลีละของหลวงตาเขาไอีก2แผ่นหลวงปู่จาม2แผ่นแล้วก็ธรรมเทศนาของหลวงพ่ออีก4แผ่นแปลว่าออกล่าสุดนะเพราะนั้นคณะสัทยา ญ, ญาติโยมลูกหลานถ้าไม่ปิดไม่ติดธุระมากจนเกินไปก็คอยรับของที่ระลึกของหลวงพ่อนะ หลวงพ่อไม่มีอะไรที่จะให้ลูกให้หลานยิ่งกว่าแนวความคิดถ้าให้เงินให้ทองไปลูกหลานใช้ไปหลวงพ่อเองก็ไม่รวยมากถ้ารวยมากก็ให้เป็นล้านๆ10บล้า น, าน20บล้านก็ตั้งตัวได้นะแต่พอให้เป็น50าบบาทย0่สิบาทร้อบาทเนี่ยพอเอาไปแล้วไปกินหมาล้อมแหลมแล้วก็หมดนะแต่ให้ทำมะเนี่ถึงจะให้แผ่นหนึงบาทรนะาคา MP37 บาทแต่ลูกหลานเอาไปเปิดฟังแล้วก็เป็นแนวความคิด มีสติมีปัญญาในการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาหลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์ในในความคิดของหลวงพ่อนะให้แนวความคิดเนี่ยกินไม่หมดนะให้สติปัญญาเนี่ยกินไม่หมดนะแต่ให้เงินเนี่ยกินหมดเป็นเพราะนั้นหลวงพ่อจึงเน้นหนักพอหลวงพ่อจนนะหลวงพ่อจนจะให้เงินเป็นหมื่นหมนแสนแสล้านล้านก็นให้ลูกหลานไม่ได้ก็เลยให้ธรรมะเนี่ยให้แนวความคิดเนี่ย ใ ห, ให้ทําคําสอนนี่แหละให้ลูกหลานเป็นคนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีปีหนึ่งพวกเราได้มาพบมาเจอกันนี่แหละขอให้พวกเราคณะ ท, ะทายาติโยมลูกหลานทุกคนที่มาในงานของหลวงพ่อมาด้วยน้ําใสใจจริ ง, จ ร, ง, จ, รงจริงนะหลวงพ่อก็ต้อนรับด้วยน้ําใสใจจริงและก็ขออภัยในความบกพร่องบางทีวัดของเราถึงจะเป็นวัดกว้าง พันกว่าไร่พันสามร้อยกว่าไร่แต่ว่าที่พักผาอาศัยที่พักผาอาศัยนะั้นหลวงพ่อเขาไม่ได้สร้างไว้มากไม่ได้สร้างอาคงอาคารต้อนรับขับสู้คณะสัตยาจโจมแต่บางคนก็มาต้องการที่พักต้องการห้องอย่างนี้บางทีก็ไม่ได้ดังที่พวกเราขอหรือว่าพวกเราต้องการเพราะเหตุใรก็เพราะว่าหลวงพ่อเคดหนักเหมือนกันถ้าหากว่าพวก ถาวอล์กพ่อมีอะไรก็เอาเงินมาสร้างอ า, อาคารห้องเป็นห้องห้องสำหรับศรัทธาญาติโยมมาพักแต่กระปีหนึ่งก็ไม่มีกี่ครั้งมีแต่งานกรถินงานวันเกิดแล้วก็งานทําบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณบางทีก็มี3งานเท่านั้นแหละเท่และศรัทธาญาติโยมไม่ได้มาเลยอาคารเหล่านั้นเป็นยังไงเท่นีเ่เป็นที่อยู่หนูตุ๊กแก่มดปลวกแะท่นี่ นี่แหละหลวงพ่อก็มาคิดจุดนั้นอีกเหมือนกันเพราะนั้นเราจะสร้างอาคารขึ้นมาเพื่อรองรับพี่น้องลูกหลานให้ได้รับความสะดวกสบายก็มีเพียงสองสามวันจากนั้นก็เป็นอาหารของพวกมดพวกปลวกเป็นภาระของพระเนนผู้มาปฏิบัติธรรมในวัดอีกต่างหากเพราะนั้นหลวงพ่อก็เลยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะทายังไงมันจึงจะเหมาะสมและถูกต้อง คนนั้นหลวงพ่อก็เลยเออเอ า, เอาให้ลูกหลานทั้งหลายคิดถึงหลวงพ่อที่มาอยู่ใหม่ๆก็แล้วกันหลวงพ่อก็กวาดไปไม้แห้งมาลองๆเสร็จแล้วก็ปู เ, ปเสื่อเสร็จแล้วก็ปักกดเอากดกลางเสรจต้นไม้ลเลยก็ขึงเชือกแล้วก็เอากดแขวนแล้วก็นอนอแล้วก็เอาตีนมุงทั้งหลายเม้นเข้าไปในใต้เสือ่เอเพื่อการแมลงไม่ให้ตะขาบแมลงป่องหรือ ง, งูเข้าไปกัดตัวเองนะี นอนด้วยความระมัดระวังอยู่ในป่าออหลายวันพอสมควรนี่แหละอันนี้หลวงพ่อก็เคยทุกยากลําบากมาแล้วนะลูกหลานเพราะนั้นลูกหลานเข้ามาจู่วัดวาศาสานาของหลวงพ่อถึงขนาดนี้ก็ทั้งน้ำํำการสะดวกไฟก็มออีห้องน้ําก็สะดวกออแล้วกออ็มีที่พักพักอาศัยสะดวกขนาดนี้แล้ว คงจะดีกว่าที่หลวงพ่อมาอยู่ไปใหม่ดูด้วยความยากลําบากเสี่ยงภยัยอันตรายแต่พวกลูกหลานมาอยู่อย่างนี้ก็อย่างบน่นอุบัตว่าเดือรับความทุกข์ยากลําบากลูกหลานก็รู้สึกว่าจะขี้แอเกินไปเชละมางหลวงพ่อว่านะถ้าไม่มีที่นอนจะไปยากอะไรลูกหลานนอนหลังหลับตาแล้วก็หลับแล้วเดือด ว, วันพรุ่งนี้มันจะโผล่ขึ้นมาละพระอาทิตย์แต่ค่อยตื่นขึ้นมานะีย่ยจะไปหายากอะไรไปหาอะไรที่นอน รู้หลาโออาเวลาเราถึงข่าวสุดท้ายเนะี่ยเขาจะให้เรานอนที่แคบแคบไม้สีแผ่นนะที่ที่แคบแคบนะ เ, เราก็คงจะระลึกได้ว่าที่แคบแคบอยูนั้นคืออะไรนะ เ, เราจะได้นอนจุดนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวนีเ้เราก็คิดฝึกหัดไว้ก็ดีเหมือนกันนะ เ, เพราะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนนะต้องใจใหยอยนะมันเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออินนะต้องใจใหญอย ต้องมีความเมตตาต้องมีน้ำใจต่อกันต้องคิดไว้ให้กว้างขวางให้สั่งสมบุญกุศลใหบ้บังสั่งสมบรรมีทานศีลภาวนาเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเรานั่นแะหละอยากจะให้ลูกหลานทั้งหลายประกอบแต่คุณงามความดีเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดี พวกเราอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนาลูกหลานเนา่าท่าว่าคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วแล้วมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายกรรมชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่าเมื่อเราทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลพวกเราจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายที่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะให้พวกเราประกอบคุณงามความดีคิดดีทําดีพูดดี แล้วผลคุณงามความดีเนี่ยจะงอกเกยเราไปอยู่นสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุกท้วนหน้ากันนะแล้วก็วันเย็นวันนี้เนอจะมีการไหว้พระแล้วก็ทำพิธีกรรมอย่างที่ลงพ่อได้อ่านให้ฟังนั่นแหละแต่ถึงต อ, ตอนกลางวันพวกเราก็จะมีโรงทานมาตั้งขึ้นมาแล้วก็พวกเราก็มาเลือกรับทานอาหาร แต่ที่ยังไงพวกเราก็ต้องมี ก, การทนุถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันนะพี่น้องลูกหลานชาวบ้านของพวกเราเไม่ใช่ว่ามีโรงทานขึ้นมาแล้วก็สวดลวดหน้าสวดลวดหลัง เ, เหมือนกับพวกเราไม่เคยเห็นไม่เคยอยู่เคยกินเเลยเทำทำ่ามเบ่งใส่อีกเขาอีกต่างหากหลวงพ่อเป็นเจ้าของโรงทานก็บางทีก็นึนึ ก, น ก, นกเหมือนกันนะ เ, เพอเผื่อท พ, พ, พีบอก ตดเหลีวบอกออมันก็นจะมาทะเลาะกันขึ้นมาอีกแหละท่านนี่เพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่ เ, เข้าไปใช้บริการโรงทานเขาน่เหมือนกับเราเป็นเหมือนกับโร ง, โรงขายอาหารเขานี่มันไม่ใช่โรงขายอันนี้มันโรงทานเราต้องแยกให้ออกนะลูกหลานนะเขาโรงทา น, นเขาเอาให้อะไรมาเราก็ทานทาเราจะขอเอีกผมขออันนั้นอีกได้ไหมครับ อ่ขอน้ำปลาอีกขอนั้นอีกได้ไหมครับอเราต้องขอเขาอย่างนั้นฮะไม่ใช่จะเข้าไปคิดชี้โน่นชี้นี้ให้เขาเอาให้เราน่มันไม่ใช่เขาขายเป็นเป็นโรงทานเราต้องคิดต้องอ่านให้ออกนะเพราะนั้นอ้าหลวงพ่อไม่พูดให้ฟังอย่างนี้ลูกหลานก็คงจะไปนะัสถานที่ใดก็สวดลวดหน้าสวดรวดหลังฮะบางทีก็นะทะเลาะกันได้ง่าย แต่ถึงยังไงที่พูดทั้งนี้ทั้งนั้น เ, เจ้าของโรงทานก็ต้องมีน้ําใจมันกันนะลูกหลานนะเจ้าของโรงทานนะพอเรามาทานแล้ว เ, เราจะเอาของมาทําบุญอยู่แล้วนะเราต้องมีน้ําใจบางทียายแก่นะ เ, เรือว่าตาแกหรือว่าใครก็ตามลูกหลานนะ เ, เข้ามาและกินก๋วยเตี๋ยวของเราอ้ติดจิตติดใจอพอใจอพอใจ ในก๋วยเตี๋ยวอพอกินเข้าไปเลยก็คิดถึงแม่บ้านอยู่ในบ้านเป็นเอามาพึกอามาพาดอยู่นู่นามาไม่ได้เอ้ยผมขอซักถ้วยได้ไหมฮแต่เราก็ไม่ได้เขาก็ไม่บอกว่าเมียของผมป่วยก็จะพูดถึงขนาดนั้นก็บใครใช่ไหมละ่ะเอผมขอซักถ้วยได้ไหมครับ เ, เราผู้เป็นเจ้าของเราก็ต้องมีน้ำใจเท่นี่เราก็ต้องรีบเอาไปเขาได้ได้ไ ด, ไ ด, ได้เอาถุงมาอาคุณลุงคุณยาย เอาไปให้ฝากคนใช่ไหมใช่ครับอ่าเราก็มีน้ำใจอ่าเราก็เอาให้เขาขออีกสักถังอีกได้ไหมครับเขาคงจะมีคล้ายๆกับว่าเขาเป็นลูกลูกชายลูกสาวน่ะจะเอาไปให้แต่แม่คนเดียวก็ไม่ได้ผู้พ่อเขาก็นั่งเฝ้าอยู่เขาก็ขอสองถุงเราก็มีน้ำใจเออเอาได้ได้เอาให้สองถุง ถ้าว่าสี่ห้าหถุงไปละเออเราก็ต้องว่าให้เขาโอ้ยเกินไปละมั่งเนะี่ยพอมันอาหารมันจะไม่พอเราเอามาเลี้ยงคู่คน้นอันนี้อันนี้เราต้องมีน้ําใจต้องคิดให้ไกลนะลูกหลานนะนะผู้ที่ทําบุญทําทานแต่ผู้ที่จะไปขอเขากูเหมือนกันไม่ใช่ว่าขอไปเรื่อยนะมาใส่ถุงอีลงตุ ง, ตงนางไปนไปเรื่อยนะบางทีบางคนไปขอไอชีรีมเขากินไอชีครีมเขาอร่อย จะเอาไอซ์ครีมไปฝากบ้านฮผลคีอสูตรพ อ, อไปหน่อยหนึ่งมีแต่น้ําทั้งหมดไปเททิ้งอีกต่างหากเพราะอะไรเพราะมันไอซ์รีมละลายฮเพราะนั้นเสี่ยงเหล่านี้นะลูกหลานนะอหลวงพ่อเป็นหลวงปู่หลวงตาี่สอนอสอนลูกสอนห ล, ล, า, ล, ลานนะให้ทีให้ท้วนให้มีน้ําจิตน้ําใจต่อกันสรุปแล้วถ้าว่าพวกเราไปอยู่นสถานที่ใดไปนสถานที่ใดทํางานอะไร มีน้ำจิตน้ำใจต่อกันมีเมตตาต่อกันมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันรู้จักกาลเทศะบุคคลพวกเราอยู่นัสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนลูกหลานนะแต่มีแต่โมโหโกธามีแต่โลภโกรธหลงใสกันนะมีแต่ความเรือดร้อนวุ่นวายนะตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรอนนะั่นที่นันลูกหลานนะ